ตั้งใจฟังธรรมะสืบต่ อ, ตอไปวันนี้ก็จะพูดเรื่องบา ร, รมีสามสิบทัศข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งทานบา ร, รมีก็พูดมาแล้วข้อที่ 2, สองศีลบา ร, รมีก็ อุดมาแล้วข้อที่สามเนคขมะบารมีก็พูดมาแล้ววันนี้จะพูดเรื่องปัญญาบารมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพได้สุวิชาโนโพวังโหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชาโนพระวังโหติผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมรู้ดีก็หมายถึงรู้ในทางทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเนี่ยคือผู้รู้ดี ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมก็คือรู้รู้ในทางเสื่อมเช่นรู้จักเล่นไพ่รู้จักเล่นไฮโล Hello, รู้จักเล่นหวยรู้จักวิธีเสพติดทุกชนิดอันนี้เป็นเป็นเป็นผู้รู้เสื่อม การันจะพูดปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยแปลว่ารอบรู้ในกองสังขารเนียมาพูดในทางพระพุทธศาสนาปัญญานี่ก็มีสามระดับระดับที่หนึ่งความรู้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การท่องจำการอ่านตำรับตำลาในทางพระพุทธศาสนาการขนฝ่ายที่จะพัฒนาตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้นะบอกว่าปัญญาเนี่ยเลิศที่สุดเลย ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นก็ดีอยู่แต่สู้ปัญญาไม่ได้ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยโอ้ประเสริฐปัญญาระดับที่สองเขาเรียกว่าจินตามยะปัญญาหมายถึงฟังแล้วนำไปคิดนำไปวิเคราะห์ นำไปวิพัฒชวาดคือแจกกระจายออกแยกแยะออกแยกดีแยกชั่วแยกตัวแยกงาแยกปลาแยกน้องแยกคองแยกบึงแยกรูปแยกนามเนี่ยดีที่สุดมปัญญาระดับที่สอง ฟังแล้วรู้จักนำไปคิดคิดคิดวิเคราะห์ฟังทำแล้วก็ต้องเอาไปทำไม่ใช่ฟังทำแล้วเอาไปทิ้งประโยชน์ก็เกิดน้อยฟังทำแล้วไปทิ้งคือฟังแล้วก็แล้วเลยไม่คิดต่อไม่ทำต่อ อย่างนี้เรียกว่าฟังทำเราไปทิ้งเกินฟังทำเราไปทําหมายถึงฟังแล้วก็ไปคิดต่อไปทําต่อเอาไปปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเอายึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึก พ, พุทธทางสระนังกัชามิ จำมังสรนังกฉามิสร้างขังสรนังกฉามิข้าพระพุทธเจ้าถือเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะข้าพรเจ้าถือเอาคุณพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นสรณะนะ ข้าพเจ้าถือเอาคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ะระลึกเป็นสาระคือเป็นที่พึ่งเนี่ยคุณนันยิ่งใหญ่เนี่ยคุณของอ้อยก็คือหวานคุณของพริกก็คือเผ็ดคุณของเกลือก็คือเค็ม คุณของพระรัตนตรัยก็คือดีเนีย่ยพูดแบบเปรียบเทียบให้ฟังสำหรับท่านผู้ที่มีสติปัญญาน้อยก็จะได้ฟังรู้เรื่องสำหรับผู้มีสติปัญญาปานกลางมากฟังแล้วรู้เรื่องเลย ปัญญาระดับที่หนึ่งปัญญาระดับที่สองเนี่ยพูดทรรมพูดตามธรรมปัจจุบันนี้เนะี่ยมันไม่สามารถที่จะละกิเลสได้หรอกฟังไปเอะธรรมะไม่สามารถที่จะชนะกิเลสได้ไม่สามารถที่จะประหารกิเลสได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นปัญญาระดับต้ น, ตน แค่ฟังและละเยเลดได้แต่มีครั้งพุทธเจ้ามียุคนั่นเขาเรียกว่ายุควิมุตติยุคคือยุคหลุดพน้นยุคเรเนา่เป็นยุคสุดท้ายล้วทานอยุกเห็นไหมนะมีแต่โยมมาถวายทานทุกวนันเป็นทานายุคแล้ว เน้อก่อนฟังธรรมะจากพระพุทธองค์ไม่กี่คำไม่กี่ครั้งสำเร็จละรู้ละเช่นพระพุทธองค์ทรงตัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาแค่เนี้อญญากวนฐญญะรู้แล้วหนอเลยละ่ะฟังปั๊บรู้เลย โอ้ oh, สิ่งใดสิ่งหนึ่งส so, มัยยุคต้นๆเขาไม่เรียกว่าธรรมะเขาเรียกว่าสิ่งสิ่งสรรพสิ่งในยุคหลังๆนี่จึงบัญญัติทั้งประธรรมทั้งพระวินใยขึ้นแล้วก็ลองใช้สมองน้อ ย, อยของเรานึกดูทีว่า อะไรบ้างที่เกิดขึ้นบนผืนดินแห่งนี้บนโลกใบนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับมีไหมลองคิดดูโดนแล้วเป็นที่ไปของความดับไม่เหลือทั้งนั้นฉะนั้นปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี่ยังละกิเลสไม่ได้ แต่ก็เป็นทางที่ดำเนินไปสู่การละเกลเลดได้เหมือนกันต้องเป็นปัญญาระดับที่สามเขาเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหลังจากที่จิตเป็นสมาธิแล้วเขาเรียกญาอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมปัญญาพัฒนาไปเป็นญาณเลย อย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยต้องพูดถึงตัวเราตัวเรามันดับ แ, แน่ๆอยู่แล้วนะ่ยถึงร้อยปีก็ดับหมดฉะนั้นเป้าหมายระดับที่หนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ระดับที่สองเราก็ต้องฝึกคิด ระดับที่สามเรายิ่งจะต้องภาวนาภาวนาไปทำไมภาวนาไปเพื่อจิตมันสงบพอจิตสงบมันก็เกิดปัญญาคิดอะไรมันก็ทะรุปรุโปร่งไปหมดเขาเรียกว่ามันรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตมันสงบ ปัจจุบันนี้ขนาดนอนหลับแล้วมันยังไม่สงบเลยนะจิตมันยังฟุ้งคือฝันนั่นแหละนั่นแหะเขาเรียกว่าจิตไม่สงบแล้วนอนฝันนฝันนู่นฝันนี่กขาพูดถึงเรื่องฝันเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ฝันฝันเห็นญาติพี่น้องรุ่นหลานเหลนนมาทําไมกัน ปุบเป็นหลานเป็นเหลนมันความฝันหนึ่งจิตอาวรณเนี่ยมันก็ฝันได้สองเทพสังหอนเนทวดาโดนบันดาลสามบาทีกินมากนอนหลับมากฝันมาก สี่คิดคิดไปมากมันก็ฝันได้เหมือนกันจิตอวรนเทพสังหอนมันเกิดขึ้นได้เท่านั้น แค่นั้นเป้าหมายของนักปฏิบัติรรมก็คือจะต้องปฏิบัติจนกว่าจิตมันจะเกิดสมาธิมันจึงได้ผลเห็นผลบรรลุผลจะมาไหวพระสวดมนต์อย่างเราทุกวันก็ดีอยู่แต่มันมันไม่เห็นผลอะไรแมาไหวพระสามวันห้าวันสิบวันเนี่ยมันก็ดีดีกว่าไม่มา แต่ผลมันจะเกิดยากแมันต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิจึงจะได้เกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไปก็เรียกว่าวิปัสสนาก็ได้พิจนานดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเรียกปัญญา แปลว่ารอบรู้ในกองสังขารกองสังขารก็คือเนี่ยกองรูปกองนามนี่แหละวิชาโลกเรียนเท่าไหร่ไม่รู้จบเพราะพิภพกรมกว้างใหญ่และไพศาลวิชาธรรมเรียนแล้วทมจนชำนาญย่อมพบพานจุดจบพบสุขเอ่ย วิชาโลกด้วยเรียนออกเรียนออกไปนอกโลกพิชาธรรมเนี่ยเรียนเข้าเรียนเข้ามาในตัวเราเนี่ยรูปนามเนี่ยเรียนอยู่แค่เนี้เรียนอยู่แค่รูปแค่นามแค่นี้เรียนไปจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่อะบางท่านอาจจะจบก่อนบางท่านอาจจะไม่จบก็ได้ พิจารณาดูรูปก็ไปด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าธาตุที่หนึ่งก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยเาเรียกมหาภูตรูปคือรูปใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ขันธ์ห้าคือ รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาร ข, ขันวิญญาณขันเนี่ยคือขันห้าถ้าเรามารอบรู้ในเนี้ที่แรกก็รอบรู้ในรูปก่อนพิจนากายในกายกายยานุปัสนาสติปัฏฐานพิจนากายนอกกายคือดูคนอื่นคนอื่นฟันหักไมมหัก คนอื่นผมงอกไม่งอกคนอื่นหนังเหี่ยวไม่เหี่ยวก็เหมือนกันคนอื่นเราก็เหมือนกันพิจารณากายนอกกายพิจารณากายในกายยิ่งยิ่งยิ่งเห็นชัดใช้สติปัญญาใช้ปัญญามองเข้าไปในตัวเก่าในตัวเราในโดยสมมุติ มีตับมีไตมีไส้มีพุงมีพังผือดมีไส้ใหญ่มีไส้น้อยมีหันใหม่มีหันเก่ามีมูดมีคูดมีดีมีเสด็จมีน้ำหนองมีน้ำเหลืองมีน้ำลายเนี่ยพิจารณาในตัวเรามันมีอะไรที่เป็นของน่ารักน่าห่วงมัางพูดตามธรรมะนะไม่มีมีแต่สิ่งที่ปฏิกูลโสโคร ทางตาขี้ตาก็ไหลออกทางหูกี้หูก็ไหลออกทางจมูกขี้มูกก็ไหลออกทางปากน้ำลายก็ไหลออกทวารหนักทวารเบาก็อุจจาระปัสสาวะไหลออกได้ไหมก็เรียวกว่าทวารหรือประตูสิ่งเสียเสียมันก็ออกสิ่งที่ดีๆมันก็ไปเป็นโอชเอาเป็นเลี่ยงเลี้ยงร่างกายไป ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสิ่งเสียๆมันก็ขับออกหมดเช่นเป็นเหงือเป็นกี่ไข่อะไรพวกนี้เนี่ยดูกันแค่เนี่ยเราดูให้มันรู้ให้มันชัดอีน่อมันก็เกิดนิพพิธาเลยไม่ต้องไปทานะนิพพิธาความเบื่อหน่ายในะสมัยขงพูตการ์นะเบื่อตนเองพระต้องจ้างเขาฆ่าเลยนะ ปฏิบัติทาถึงที่สุดจ้างคนอื่นข่าเลยเบื่อไม่อยากอยู่เบื่อการกินเบื่อการอาบน้ำเบื่อการขับถ่ายเบื่อสะปะสะเปดมันต้องทำภาร ะ, ะทุกวันนะดูดิถ้าตายแล้วก็ไปเป็นทิพย์แล้วก็นเน่ยไม่ต้องมากินอาหารหยาบหยาบ ยิ่งต้มากินข้าวมากินน้ําสกปกสกปกหรือไม่สกปกก็ลองเคี่ยวเคียวเคี่ยวอาหารดูพวกนี้เคี่ยวแล้วก็คายทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วมาดูใหม่ดิเป็นฟองฟอดเลยละ่ะเนี่ยพูดลงลึกเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นแหละลราพิจนารณาได้แล้วก็โอ้ ก็ถอนอัตตาตัวตนบุคคลเราเขาถอนได้ฮะมันเบาที่แรกยึดถือยึดติดจนโอ้โหถอนไม่ได้เลยอัตตาตัวตนสูงเลยตัวกูของกูอันนี้ก็ของกูอันนันก็ของกูอันนี้ก็ของกูอันนูนของกูมีแต่ของกูทั้ง น, นั้นตายไปแล้วไม่รู้ของใครไม่รู้ ไม่มีของใครเลยเ <c oughs> มื่อเรามามีอะไรมาด้วยเล่าเราจะเอาแต่ความสุขสนุกสนานเมื่อเรามามือเปล่าเราจะเอาอะไรเราก็ไปมือเปล่าเมื่อเรามาเห็นไหมอีตอนก็ลถน้ำศพไยก็แบมือเราก็น้ำไปลดจอความจริงมันเป็นปริ น, ป น, นาธรรม เป็นปริสนาธรรมเดี๋ยวนี้เวลาจะเผาศพกันทีก็โอ้ยนี่ความเชื่อที่มันผิดผิดไม่ยอมไม่ยอมเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิิไม่ชอบมันง่ายเกินไปชอบที่มันยา ก, ยาก ต้องไปทำดอกไม้ไปตกแต่งดอกไม้สวยๆโอ้ยต้องจ้างทั้งทุกอย่างเท่าที่เห็นในรูปนะึเสียเงินไม่รู้่าไหร่แต่พะตกเย็นคข้าเผาทิ้งหมดเงี้ยโอ้เสียดายเงินฮจะมาให้น้าโมไปเรียนอย่างจะดีกว่า สี่แสนห้าแสนขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตน์ไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองท่านโดยทั่วหน้ากันทุกๆท่านทุกๆคนเถอดสาธุสาธานุโมทามิ